วันนี้จะเอาประเด็นในส่วนที่อยากจะเรียกว่าการใช้พลังไม้ตาเพื่อ บ, บรรบาตเอาสิ่งร้าออกไปจากตัวเราทื่ออกไปจากบุคคลที่เราดรูแลใหญ่ๆที่ออกไปจากสิ่งที่อยู่ในความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ของเรา ก็อยากจะอธิบายทําความเข้าใจในส่วนตรงนี้สักทีหนึ่งคือโดยหลักของทางศาสนาเนี่ยตาแมแนวของมือผลที่แปดเราก็จะพบว่ามางคนที่หนึ่งกับบางคนที่สองเนี่ยคือการไม่คบคนผ่านแลวการครบบัฑิภาพภาพเนี่ยก็เหมือนจะเป็นลักษณะของความผห็ตัวที่เห็นแต่จะได้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ อันนี้เป็นความคิดมีมุมหนึ่งของของเราเนะี่ยบางทีงก็ไม่มีใครเคยพูดของเราก็คือของผมเองเพื่อนก็ได้เคยให้ข้อสังเกตเพื่อนก็ทําความเข้าใจกันไปแล้วในบางที่คือที่ว่าเหมือนตป็นคารคุณเหตุตัวหรอมันเป็นความถึงก็งได้นี่นก็คือว่าโดยธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยเวลาจะคบหาไข่หรือจะไม่คบไข่เนี่ยก็มักจะเอาผลประโยชน์ทองตัวเองเป็นดีตัง เป็นบางคนเนี่ยจะคบคนต้องรวยเท่านั้นถ้าไม่รวยไม่ครบเลยรวยนี่ก็หมายก็ว่ารวยกว่าตัวแล้วถ น, นัดนักที่จะคบหรืออย่างน้อยก็รวยเท่าตัวหรืออย่างน้อยก็ร่ำรวยใกล้เคียงกับตัวหรือไม่อิกทีก็ต้องเป็นคนที่อจะมีประโยชน์อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวในรูปใดรูปหนึ่งแม้แต่ว่ า, า, าคนที่ม่อำนาจนะฮะที่จะอำนวยประโยชน์ หรือว่าอีกทีก็ต้องเป็นคนที่มีมีคุณค่าอะไรสักอย่างที่ตัวเองต้องประสงค์ก็จะพยายามควบคุมพวกนั้นเอแล้วก็เวลาเราจะไปปลูกบ้านปลูกช่องเลือกทาเลที่ทำมาถ่าขายหรืที่อยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็จะเลือกเลือกว่าที่นี่เราไม่อยากไปถ้าะคนประโยชน์ต้องนอนนี่ในทางหลังคมบเนยนะฮะที่มีเราอยากไปไม่แต่จะเข้าโรงเรามองดินส่งลูกส่งหลานเข้าโรงเรามองเรีย น, ยนที่เห็นเราก็พบความเห็นแก่ตัวกันไป อยู่โรงเรียนอย่างนี้เอาเถอโรงเรียนจะเป็นยังไงก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราก็จะลืมนึกไปนะฮะแต่ฟังคนดีพยอยากจะให้ลูกหลานมีเพื่อนมีผูงเป็นลูกของอลูกค้าหลานเธอที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะที่อการทํา อ, อย่างนี้จะสี่คล้องกับมงคลข้อที่ที่หนึ่งที่สองด้วปล่าคือไม่ยอมส่งลูกไปเรียนมัดไล่ถิ่ง ถ้ให้ไปโรงเรียนวัดแต่วัดอะไรก็ตามเพมีน้อยวัดที่ที่บริยานจะตส่ ง, งรูปไปเรียนกันนะอย่างวัดเทศเปิงก็ยิ่งชั่วหน่อยออย่างนี้นะผมจนไม่คิดว่าถือว่าเป็นการปฏิบัติตามขนข้นอห น, นึ่งข้อสองหรือไม่ทีนีเรามามองในมุมนี้ยังเปศาสนาว่าไม่คบคนผ่านเราพูดถึงคนที่เป็นผ่านเนี่ยบางทีก็คือเป็นผู้จนในทางคุณสมบัติายไหน จะ ท, ทำมาสมบัติแล้วก็คนที่เป็นบัณฑิตก็คือคนที่รวยทารทำมาสมบัติทําไมเราจะต้องพบแต่คนรวยเนี่ก็เหมือนเราจ้างจะก็คนรวยแล้วอผูเจ้าต่อเนี่นก็ ค, คนรวยเนี่ยก็คนจนในแง่เขาทำมาสมบัติทําถูกหรือไม่อจะเป็นในแง่ของทำมาสมบัติหรือโลกสมบัติก็ตามเนี่ยครับไอจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ก็ อ, อยู่ตรงที่ว่า การครบใครการอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ผมจะโยงมาถึง เ, เรื่องการแผ่เมตตาเพื่อจะได้ไม่มีข้อกังขาตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราอยาคบให้หรือคบเขาถ้าเราครบให้เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่คบคนพานท่านก็คบคนพานทนั้นท่านไม่ได้คบบัณฑิตกับท่านเลยเพราะว่าคนที่เก่งเท่าท่ามดีเท่าท่านสูงกว่าท่านไม่มีในโลกนี้ เพระนั้นท่านก็จะไดรร้คบกับพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นเพื่อนก็บาลนิพพานกันไปหมดแล้วคบไม่ได้เท่ากันก็ไม่ได้ก็เลยต้องคบคนผ่านเพราะนั้นมงคนสามสิบแปดสำหรับพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านทําไม่ได้ใช่หรือไม่ก็ต้องกล่ว่าท่านไม่ได้ทําแต่ไม่เป็นเรื่องผิดราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่คบให้คือคบกับใครเนี่ยท่านให้ เพื่อทําให้คนดีขึ้นทีนี้เราเองเหมือนกันนะเราเองเนี่ยแล้วก็พบคนบางคนเนี่ยความชั่วเยอยกว่าเราไปชั่วกว่าเราความดีน้อยกว่าเราแเราก็คบเพื่อที่ทำให้เขาดีขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยไอค้ความสุขในชีวิตความสําเร็จในชีวิตในเรื่องต่างๆก็อาจจะได้กว่าเราแต่เราก็พบแต่ว่าบางทีก็ เราอาจจะเทีย่ยงเกินไปต่งางๆรางคนอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความสุขในชีวิตเหมือนอย่างไรที่ตายแล้วก็ดังไปทั่วโลกเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องสวยในเรื่องชื่อเสียงแต่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความสงบสุขในชีวิตเกินชีวิตที่รุนละศ์มากมันปลิกผันอย่างอย่างรุนแรงน ะ, ะจากคนที่ก้าวขึ้นมา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 และคนในสังคมเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นลักษณะสุขสุ ข, สขดิบดิบให้เราเห็นเนี่ยมากมายไปหมดในประสบการณ์อย่างที่ผมได้คบมาเกี่ยวข้องอยู่ดังนั้นชีวิตเราเนี่ยเราจึงอยู่ในสองฐานะ่ะขอให้ไม่ก็เป็นสองฐานะว่าฐานะหนึ่งเนี่ยเราถ้าเราครบก็จะเอาแต่คาว่าเอานี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความละโมบจะต้องเอาด้วยความโลภ อย่เช่นเรามาเอาธรรมะก็ไปมาเอาเรื่องความบด้วยความโลภเพื่อมาเอาไปปฏิบัติทำก็เพื่อเอาเอายานเอาเอาความไม่ทีจิเลตเอาความบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ไม่จะเลี่ยงความโลภเอาบุญก็ไม่จะเรืยงความโลภที่การคบไม่คบคนผ่านในกรณีที่เราเราคบเพื่อเพื่อเอาเนี่ยคนใดที่เราคบเขาแล้วเป็นฝ่ายเสียผลทําให้เราเลวลง่ะฮะ ทำให้เราได้หลงในเรื่องของความดีเรื่องความสุขสติปัญญาเนี่ยให้เราลงให้เราหแล้วเราเองโดยับอย่างยิ่งคนชั้นต่ำกว่าเราที่เป็นคนผ่านที่เราเองเป็นฝ่ายจะต้องแพ้หรือจะต้องเสียประโยชน์คือเราเองเนี่อาจจะจะมีจุดอ่อนจุดอ่อนสำหรับคนประเทศนี้เนี่ยนะครับที่คน่านเนี่ยเราก็ยิ่งต้องระวังคือไม่ครบ้าตัวเราจะเสีย เรารักษาผงประโยชน์ในเรื่องของเจริญธรรมมนโนธรรมเราส่วนบัณฑิตเนี่ยเราพบเขาเพื่อที่จะรับถ่ายพลังาจากเขาเนี่ยในแง่ตัวอย่างก็ดีในแง่ของการถอนก็ดีโดยตรงก็ดีโดยอ้อมก็ ด, ด, กดีเราก็จะต้องพบเพื่อที่จะทําตกลงั้นไม่พบก็เพื่อไม่ให้เร็ลงพบก็เพื่อให้เราดีขึ้นในแง่ของการ ม, มาแต่ถ้าในส่วนของการให้เนี่ยเราก็คือจะต้องให้คนที่ต่ำกว่าเรา ช่วยเขาถ้าอย่นั้นเราก็ก็คบเขาเพื่อที่จะให้เขาแล้วก็บางทีคนที่เขาเขาดีอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้ไปคบเ่าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่รู้ยด้อะไรเขาอันนี้มันก็เป็นหลักอย่างนี้จะตกลงว่ามันเป็นเรื่องของความถูกตนะ้องในทางกุศลจิตไม่ใช่เรื่องของความละโมบอย่างวิสัยของโลภะหรือเรื่องของความเบื่อเกลียดฉันตามวิสัยของโทสะ สังเกียตคนชั้นต่ำกว่าตัวด้วยโทร่ก็เป็นกิเลสไม่ได้เอาเอาความมีความงามหรือคุณค่าในกางกิเลสรำมาเป็นเครื่องกำหนดกอรนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะไม่คบคนพาดก็ให้ตั้งหลักว่าคนที่เราจะต้องระวังเนี่ยมันมีสองจุดนะคือหนึ่งจุดในแง่ของคนที่มีพลังทางทางปากทางความชั่ว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 แลก็เห็นจะเป็นกันทุกคนแต่ว่าเงื่อนไขต่างกันเช่นบางคนนห่นถ้าหากว่าอยู่ในที่นี้แม้เป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองก็ต่างอยู่ใกล้และใจมันมันเสีย<ม>ใช่ไหมมันคิดมากมันหงุดหงิดมันนอนไม่หลับมันสาปละพันธ์ที่จะเป็นถุกไหถูกทุกคนไม่เกิดจะเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าที่ทํทา ง, งานหรือทไหนก็านที่มันรู้สึกว่าเราทนไม่ได้กับกับการที่ต้องคบคนนี้มันคือคบแล้วอยู่ใกล้แล้วมันเกิดอิเลนเอาง่ายๆ่แล้วก็บอกว่าก็าคมที่มอกก็ได้ได้บางคนได้เป็นบางครั้งอาจจะเป็นไปได้แต่ในบางคนและก็ในหลายๆครั้งมันมันเอาไม่อยู่ถ้าเราจะต้องยืนอยู่ตรงจุดนั้นในตําแหน่งนั้นใกล้กับคนนั้นมันก็จะต้องไม่ทำให้เขาถอยไปแล้วมัต้องถอยไป นะ ม, มันก็ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้อการที่เราจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีในแง่ของทางกายภาพเนี่ยมันเกิดจะมีข้อจํากัดบางทีทําแล้วมันกระเสียงเช่นเราจะไปบอกว่าให้ข้างบ้านของแกกินเล่าหลงเสียงเจ้าจั่นทุกวันจะย้ายไปคนหน้ากันนี่ ไ, ง ไ, ง ไ, ม, ไม่ทาได้ง่ายไงเจ้านะถ้าเราตำรวจมาจับมาไลา่มันก็ไม่ได้ เราไม่ได้มีอำนาจวาศนาใหญ่โตขนาดนะแล้วมันก็เห็นอย่โตเกินไปนะไอจะไปบอกเขาเลือกกอข อ, องอเราก็ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าในทางดังจิกเนี่ยมั น, ม, นมันมีทางเลือกมันออกมาในโลกของบัวไม่ช้ำน้ำไม่กุนแล้วบางทีก็กลายเป็นเรื่องของการสร้างมิดไม่พอสับ แต่ว่าผมก็พูดในมุมของการใช้ความสามารถในทางจิตเท่านั้นซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็มีความละเอียดในการตั้งมนุิการอยู่ของสมควรเม่งั้นเรามก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะที่ไม่ถูกต้องในการทางจิตรือในการแฝ่จิตในลักษณะนี้ได้หรือไอ้ตรงนี้ กำลังพูดถึงกรณีของของอปัญหาของคนนะฮะที่หนึ่งมีความชั่วหรือข้าในทางจริยธรรมกับสองผู้มีวิบากถ้าวิบากนี่มันหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความทุกความเดือดร้อนของเรา เ, เรื่องนี้นะเเห็นจะจริงอย่างที่ทางศาสนาเราพูดนะฮะคือมาพิจารณาดีๆแล้วก็เป็นจริงเพราะว่า เราเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้คนมีบุญแต่ไ้มีบุญมันจะมีบุญทางไหนถ้าคิดทางหนึ่งมันก็เป็นโลกะคิดอีกทางหนึ่งมันก็เป็นกุศลด้ยเชน่าคนมีบุญมีพลังทำถึงสูงเราก็เห็นว่าพอสมควรถึรงแม้ว่าท่านเหล่านี้จะมีน้อยน้อยตัวหน่อยอต่เมื่อเราจะทขาความเจริญในธรรมแล้วก็ไปอยู่ใกล้คิด กับท่านภูมีตำแหน่งทางสูงเนี่ยมันรู้สึกเห็นๆ เ, เลยว่าเราได้รับประโยชน์ในทางทางธรรมะเนี่ยเอาเป็นว่าธรรมะปฏิบัติเนี่เาเห็นกันจัดเนี่ยนะอย่างมากทีเดียวได้พลังแบบท่านอย่างมากเพราะฉะนั้นจริงเราจรึงเชื่อแล้วก็มีการกระทําการอันหนึ่งใกล้กลายกันว่าในการจัดหมู่บ้านธรรมะ ในหลังที่เป็นที่จะปฏิบัติธรรมนี่นะอ่าก็ให้คนมาอยู่แล้วก็จะมีบางคนที่เป็นเรียว่าเป็นเป็นขวัญเป็นกำลังใจอ่าของคนที่จะมาเรียว่าบางทีเราก็อยากให้คนนี้มาอยู่ก็อยากจะอยู่ใกล้คนนี้แล้วขั้นหน้ า, นาว่ารเราอยากไปนั่งปฏิบัติด้กันเนี่นะ ไปนังป่งใกล้กับคนที่ต้องมีธรรมะเยอะๆเนี่ยไม่รู้สึกได้กำลังใจไงก็ไม่รู้น ะ, ะบางที่ท่านเองท่านอาจจะเป็นอยู่บ้างเวลาที่ไปกับใครที่เขาเขาได้สัมผัสอะไรทันได้นะหรือเราไปนั่งอยู่กับคนที่เรารู้สึกอจับตรงนี้จับท่านได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออพอเราจะพุ่งซ่านพอเราจ ะ, ะยุติโดยใดจนมันตกพอลืมตามาเห็นท่านนั่งอยู่กับเรา ได้กำลังใจระเสึกว่ากระโวมกระ่วยขึ้นมาเยอะเลยครับนี่เรียกว่าอยู่ใกล้ใบบุญของคนที่มีกุศลวิบากจะทำให้เราได้ดีได้ได้ได้อะไรบางอย่างเนี่ยนะเป็นเรื่องของความตุไม่แง่ธรรมาไม่แง่โลกธตามริงเห็นว่าถนนบางสายเนี่ยทำสิอย่างดีไปแถวบ้านเพื่อนแถวบางโพ บอกถนนบางสายทำเรื่องดีก็อะไรเพราะว่าเจ้าใหญ่หนายโตท่านมีเพื่อนอยู่ที่นี่ท่านมาหาเพื่อนท่านบ่อยถ น, นนก็เลยดีใหญ่ตามนายไปด้วยใหญ่ตามคนมาไปด้วยก็เลยทําให้พวกพลังงานสายที่พี่คนที่นั่นคลายสบายไปด้วยท่านถ้าเราอยู่บ้านใกล้คนมีบุญเนี่ยนะฮะต่รู้สึกว่าก็ดีดีไปด้วยหลายๆอย่างอันนี้เป็นเรื่องการปก ในแง่ของวิบากนั้นพลังปกแผ่ของคนเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างในแง่จริยธรรมกับในแง่วิบากถ้าเป็นจริยธรรมทางชั่วจป็นวิบากในทางอคติวิบากก็จะถูกปกแผ่มาได้สิงนะเพราะนั้นใครที่บ้านอยู่แถวจังหวัดตรีนอะไรถแถช่องจอมอะไรอย่างเงี้ยก็แย่น่หน่อยเพราะว่าไปอยู่ใกล้ดินแดนที่ เป็น ed, ดินแดนที่ความยากยางวุรณิบาเยต์ไม่ค่อยสงบสุขนะอันนี้เป็นธรรมดาแล้วถ้าเป็นเรื่องสมัยก่อนก็คือว่าเรื่องอคนที่มีดวงบังมีสะตาไม่ดีในเรื่องราบเนี่ยวกล้าโอตะกาปิตะหรือ อ, กอกีกเรืร่องนึงคนเนี่ยครับที่ที่บาง ท, ทางนี้เยอะเนี่ยเวลาไปอยู่วัดไหนไปอยู่ก็ใครใครมาอยู่ด้วยแล้วก็พลอยลําบากไปด้วย บางทีเรียกว่าเหมือนเหมือนเราไปเดินต้นเตียงอยู่แล้วบ่ น, นแต่วตำรวจมาพอดีเราล้นตักด้วยครั้งนี้ก็เราไปเล่งดานบันนั้นแล่วางทีน่าเราไปเหมือนในคนไม่ดีบางคนเท่านี้นะมบางทีถูกพานเกิดไปด้วยอ่ะพานโดนทํำลายไปด้วยเพราะว่ามันไต้ล้ายกับจลักษณะมันเขาอทีนี้ถ้า เ, เป็นเป็นเรื่องของความเป็นความตายก็อย่างเช่นภรรยาของต้นผลที่นั่งเรือไปในมาหาสมุทร แล้วก็เรือกเกิดจะไปหยุ์แล้วก็ไปผ่านไปอย่างนี้นะมันก็เกี่ยวกันมันมีส่วนเกี่ยวไอ้เกี่ยวเนี่มันไม่ใช่ว่ากรรมคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งเหมือนพ่อกยอยับลูกอะไรเงี้ยนะมันอธิบายได้ว่ามันตรงกรรมของคนสองคนที่คนหนึ่งเป็นหัวหน้าคนหนึ่งเป็นฝ่ายที่มีกรรมคล้ายกันแล้วก็ไปต้องไปเสื่อมกันพักเนี่ยจะได้รับอิทธิพลเสริมจากกรรมของอีกคนหนึ่งมาถึงจะตากรรมของตัวทําให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตรงจุดนั้นจุดนั้นไปด้วย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 ถ้าเราไปกับคนที่มีบาปจะต้องตายแต่ว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีมีดวงเราพูดาษาจีบ้างว่าดวงแขง็มันก็จะสู้คือถ้ า, ากว่าคนหนึ่งมีตะบาสสูงเนี่ยจะคุ้มครองอีกคนหนึ่งได้ทำให้คนหนักเป็นเบาไอจะอดก็พอยี่กินอย่างภาษีวรี่งนะใครไปกับท่านนะครัไไปที่ไหนก็ไม่มีทางจะอดเลย มีกินตลอดราอ่ะบุญท่านคุมบุญท่านคุม <S <s ถ้าตำของอีกคนหนึ่งแรงกว่าคนหนึ่งก็จะต้องเองไปตามพลังตำของคนนั้นระหว่างคนดีคนชั่วเนี <S <s ่ยนะก็เป็นตะเรียงวา่าคนหนึ่งพอจะมีดีฝืนก็ฝืนได้พอุมควร ถุนได้เยอะหน่อยก็มีดีมากถ้ามีชั่วมากก็กรรมของอีกคนหนึ่งก็คุ้มครองได้น้อยหน่อยถ้ามันมีที่บากชั่วมากก็คุ้มครองไม่ได้เลยทีนี้ามาพูดทั้งคนสองคนในแง่ของเจรียดคนหนึ่งมีเมตตาคนหนึ่งที่กบแล้วก็เกิดมาคบกันถ้ามาคบกันเนี่ย <c oughs> ลองวงัดดูกาได้ ดูจะนึกถึงประสบการณ์หรือจะทดลองไปตัวเองว่าถ้าท่านเป็นคนที่โกรธแล้วท่านไปอยู่ใกล้คนที่เย็นใครแพ้ใครชนะเนี่ยเออไม่เจอคำตอบมันคือปลาชูวัด น, น้ำหนักและถ้าเราไปอยู่ใกล้คนในลักษณะ คนอื่นกับผุ้ผลตัวอื่นเนี่ยมันก็จะออกมามันก็จะลากกันไปากันมาเพราะนั้นอย่างผัวเมียแต่างงานกันผัวเมียผู้ภรรยา เ, ยเคยเป็นคนใจกว้างแล้วมาแต่งงานกับสา ม, มีขี้ตึ่นแล้วก็มาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าบางคู่เนี่ยมีอากลายเป็นคนขี้ตื่ตามผัวไปด้วยแต่บางคู่เนี่ยครับฝ่ายภรรยาย ทำให้สามีใจกว้างขึ้นเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็จะยามเข้าใจผู้พูดบงังแล้วก็สำแดงความน่านักถือให้ให้สามีเห็นสามีก็รู้รู้ว่าเออไอความนักถือความรักความกับตาในส่วนตัวแล้วก็คำที่แจงคำอธิบายการกลองเก่าเนี่ยว่าทำให้ให้สามีเข้มทีนี้้าบางรายบางคำรายที่ผมเจอมามันเป็นยางไง อภรยาใจขว้างสามีที่ตึืน้นมีคนหนึ่งนะกมาันเคยมานั่งคุยโวนั่นนี่อยู่มันทั้งหลายปีสามีก็อย่างเดิมเขาก็อย่างเดิมแต่ที่เขาผิดไปจากเดิมตดตรงที่ว่าเวลาเขาจะบริจาคอาจจะเสียตลาดเนี่ยเขาต้องแอบแฝงง่ใยๆสามีเองทีนี้ผมก็อมองดูว่าไที่มันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยปแปลว่าเราใส่ภรรยาเนี่ยเสียเปรี่ยนเลยใช่ไห เสียเปลือกจะไม่หมดเนื้อหมดตัวนะเสียเปลือกมามื่ก่อนทําเปิดเผยอะไรแต่นี่ต้องแอบๆทาจะใส่บาตเจี่ต้องเตรียมกระเป๋าใส่รถเข็นมนาแล้วผ้ามาคลุมหลอกเอาลังมาวางอะไรไว้รนะอให้สามีออกไปตรวจหรือไม่ต้องไปืนมตัเช้าอยู่นะแล้วให้ต้นทางดูเป็นยังงแล้วก็เขียนรถกลัหลังบ้านไปใส่บาตรละก็ทําอย่างอย่างนี้เรียกว่าทําให้เจตนาเนี่ยสร้างหมองเสียไปยเยอะเลยทีเดียว ทีนี้ก็มองดูว่าเขาเองเนี่ยไม่มีไ ม, ไม่ม่มีพลังสองอยา่างเหมือนอย่างลายที่ผมว่ามาคือหนึ่งไม่เป็นคนมีลักษณะความเป็นครูคือรู้จักอธิบายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สองก็คือวางตัวต่ําไปหมดทุกเรื่องเป็นฝ่ายตั้งรักหมดทุกเรื่องไม่เป็นฝ่ายลุกเลยก็เลยทําให้ไม่ได้สแสดงอิทธิพลแก่สามี ก็อยู่กันไปอยู่กันมาปรากฏว่าสามีตายไปก่อนสามีตายไปก่อนคราวนี้เลยทําบุญกล่องอี่างสบายจายไปเลยมาได้มาแต่งงานใหม่ได้คนใหญ่คนโตนะตเขาก็่จะทําไงก็ไม่ว่าก็เลยเยได้ทําบุญใหญ่โตมาหลายเลยตลอดชีวิตอาย่ก็มากแล้วตอนนี้ช<ๆ>ีวิตเวลาที่เราเอาไปว่าผมจะร่นจากในกรมีที่ เราอยู่ที่บ้านบ้านเราเนี่ยก็มีทำเลที่ตั้งอยู่บางคนก็โชคดี่มาเพื่อนบ้านดีหมดออย่างบางรายที่ทผมกรู้จักเกิดที่แรกก็ไม่มีหมดแต่ว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนมโนธรรมดีแล้วเป็นแบบอย่างของความประพฤติตั้งกระตังกลุ่มตั้งสมบูรขึ้นแล้วเด็กๆเติมก็เขาลบรัก เป็นบ้านคนเท่าคนแก่พวกนั้นก็ทางจงลุกขึ้นแล้วก็สอนกองก็นับตือเมื่อกองก็นับตือเนี่ยถึงแม้ ว, ว่าท่านเองจะไม่สามารถทําให้คนในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านที่ผมว่ามหมู่บ้านสาก่อนอยู่แลบางปีไม่ทําให้ทุกคนดีหมดได้แต่ว่าสิ่งที่มันกออกมากคือว่าทุกคนดีกัท่นหมดเมื่อดีกับท่านก็หมายความว่า บ้ท่านก็ไม่เดือดอนทุกคนก็ก็ดูแลเอาเฉยเป็นหนูเป็นตายอย่างงี้นะแต่อย่างนี้จะนก็เป็น ค, ความเดตต์กันแต่ก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องของเมตตานะเอาแล้วทีนี้เราก็ย้อนกลับมาว่าถ้เราเองเนี่ยเราอยู่ทุกวันนี้บ้านของเราอยู่ในทำเลที่เราพอใจไหมเพื่อนบ้านเราดีไหมพอใจมไหมไ ม, ไม่ต้องบอกผมนะเพียงลองนึ กันเราเองต่างคนต่างกันแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วหรือว่านานเท่ามันดีขึ้นหรือานานเท่ามัเร็วลงเอ่อบังไดเนี่ยอยู่ไม่ต้องแต่ละไม้กอนะเป็นเท่าไรเท่านาำเขาอยู่ไาอยู่มากลายเป็นสลับไอ้ที่นั่นก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนบ้านที่ติดยาเสพติ ด, ตดกินยาบ้าค้ายาบ้าอยู่ไม่เป็นสุข อย่างนี้ก็มีเป็นตัวอย่างที่ดีบ่มินนะเนี้ยเราก็อยู่ไปวันวัตรเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําความรู้กกับตัวเองมนพูดถึงปณิบานนั้นะว่ า, าบางคนเนี่ยเราก็เป็นต้นแบบให้เขาทำให้เขาดีได้เราก็คบอย่างผู้ให้นะบอย่างผู้ให้วางตัวอย่างผู้ให้ แฝงเนื้อตาอะไรก็แฟงในทางหาั่งในลักษณะที่ทำให้เขาดีขึ้นจะได้เป็นเพื่อนด้านที่ดีแล้วก็สในรายที่เราไม่สามารถจะให้เขาได้ไม่สามารถจะเป็นผู้ให้ได้เราอยู่แล้วก็ยังผูกวิธิพลนของเขาเพราะว่าไ อ, ไอ้ความช่วของคนบางคนเนี่ยมันจะได้เหตุผลในหลายอย่างนี่นะเราไม่สามารถที่จะเติมเขาได้ ไม่สามารถจะครอบงำก็ได้แต่เราเนั่นแหละจะเป็นฝ่ายถูกเขาครอบงำหรือทำให้ให้เราเดือดร้อนในรูปใดรูปหนึ่งนี่นะเรียกว่าคนมันแพ้กันคนดีคนมีธรรมะมางดีมันแพ้คนไม่เกิดน่ะอังเกต ด, ดูคับฉะนั้นอ่าถ้าไปซื้อทเท้าเฮารัดวติดกันไงโหติดกันจริงๆริงเท้าเฮานี่แะติด ก, กันก็น แล้จะไปได้เพื่อนบ้านที่ไม่ดีโอ้อยู่แล้วไม่เป็นสุขบ้านไม่เป็นดีมันในบ้านมันเป็นนะแต่ว่าข้างบ้านมันในรกมันกินเหล้ากันมันร้องลั่นทำเพลงกันไอ้แค่นั้นเลยกอมันยังพูดจากระแ น, นะแหนเนตแหนไม่ได้เดือดร้อนใจอยเงก็อยู่ไม่เป็นสุขอ่าก็เลย าานะเวลาเราแผ่เมตตาไปถึงเพื่อนบ้านเนี่ยนะอันที่หนึ่งก็คือว่าเราจะต้องแผ่ในลักษณะของการปลกมิตรที่ทำให้ต้องมีศัพนกติีที่ดีกับเราก่อนอถึงเขาจะไม่ถึงเขาจะเลวก็ขอให้เขาเป็นเลวอนหนึ่งนี่เขาเรียกว่าเขี่ยหมาเน่าไอ้นคน ไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้ไปคิดหรอกแต่ว่าถ้าเกเราเนี่ยขอให้เขามีจิตะตาสติดีๆกับเราซึ่งมันเป็นไปได้ครับเพราะว่าไอ้คนเนลวคนอะไรเนี่ยมางทีเขาเขาหันมาทางบ้านเราเขาดีเจอหน้าเราเขาดีแต่กับคนอื่นเขาอาจจะยังไงเราก็เราก็ไม่ไปจัดแต่ละธนาไงนีนะแต่ว่าเวลานันจริงแล้วให้เขาดีคนอื่นด้วยแต่ว่าคนที่มันออกมาเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้ทําอย่างเราไป่ไดแผลห้ตาไม่ได้ให้พรไม่ได้ทํา ทางกาวัตถุอย่างเราเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับเขาก็คงจะไม่อาจจะดีได้เหมือนอย่างที่เขาดีกับผมเคยขอ ย, ยยืมนิดหลายปีไปแล้วนะเคยขอ ย, ยืมเงินเพื่อนบ้านห้าพันบาทที่ขอ ย, ยืมตอนนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องใช้เงินโดยโดย่วนตอนนั้นเมืก่อนห้าพันบาทนี้ยป็นี้เพื่อนบ้านคนเนี้ครับเขาเป็นคนออกเงินกู้ที่หน้าเลือดมาก รเลยยี่สิผมก็ไม่เคยไถึงถึงันแต่เขาก็รู้จักกันนะเจอน้านก็รู้จักกันก็ให้คนไปเขหยืมเอาหล่ะผมจะยอมเสียแค่ร้อยยี่สิบมาดูจะได้รู้รสจานเป็นไงบ้างก็ให้ไปกูปรากฏว่าพอ ถ, ถึงเวลาเนี่ยผมก็อาจารย์เขาไม่มีชื่อ ก, กระดูกกระดูกมากเขาเรียกกันเลยเขมใหญ่เขม ผมแต่ใจว่าเขาไม่เอาผมมาไม่เอาไอด้ดอกที่จะผมเมื่อไม่เอาเลยผมก็จําเป็นต้องรีบขึ้นกลัวเปลี่ยใจใเดี๋ยวก็เอาก็จะเสียความรู้สึกที่ดีต่อกันมากล่าวเออก็อยังไม่ว่าเออคนเราถึงยังไงก็ยังมีข้อยกขึ้นยงตั้งนะน้อยลอเลยยี่สิบเมตรไม่มีเดียนอ่ะคลมต้นเลย เงินรวยคนกู้จนอแต่เราก็เข้าใจว่ามันมันเป็นเป็นว่าอะไรนะเราก็รู้แต่ว่าเอาแท้ๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้แต่เราก็รู้ว่เาเราก็ากากแผลในตาแล้วเราจริงจริงเราก็ไม่ได้รังเกียดอะไรทังว่าถ้าไอ้คนเขาเขายังพอมีความรู้สึกที่ดีกับเราเนี่ยมันก็ยังบออยู่ก็ได้นะ ถึงบางทีไอ้ก็จะสรงเสียงเจ้าเจ้าทําให้เราได้รับผังลงเรื่องอะไรบ้างในเรื่องความรู้ความเดือดร้อนก็ก็ยังพอได้บางทีไอ้ตรงนีงก้ก็พอจะคุ้มครองอะไรอะไรที่เป็นความรับผิดอบของเราได้ด้วยที่จะตถึงเกิดโทษเกิดอันตรายจากเขาเหล่านั้นไม่เป็นอันที่หนึ่งที่ทําไม่ได้มากกว่านี้ก็อย่างน้อยก็ให้มันเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วก็สองก็คือว่าถ้ามันได้มากกว่านี้ ที่เราแพ่ขับไล่แพ่ปฏิเสธให้ประเสธว่าน้ำุณออกไปนะใส่เข้ามาเ น, นนะบางทีทาให้คนที่อยู่ที่นั่นได้กลายเป็นคนดีกลายเป็นคนดีก็มันก็เหมือนกับว่าคนชั่วหายไปคนดีเข้ามาแทนที่อันนี้อย่างนี้นน ถ้าหากว่าคนนั้นเขาเปลี่ยนไม่ได้อะไรนั้นเขเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไม่ได้หละหรือเราเองมีพลังแรงคนชั่วเนี่ยย้ายต้องย้ายบ้านหนีต้องมีอันเป็นเป็นต้องย้ายบ้านหนี้หนีเงียเราเองแล้วก็ก็ต้องเขีอเ่อไว้แล้วเวลาแต่ไงตาไม่ใช่ว่าเออขอย้ายบ้านหนีเพเกิดเลยไหมเอาไม่คิดอย่างนั้นนะ เลยเอถูกไล่ที่อะไรแล้วไม่กินนะเขาคือก็เป็นลักษณะว่าเออถ้าเขาไม่มีพอจะอยู่ตรงนี้เนะี่ยอยู่เขาก็มีมาทำความเดือดร้อนให้กั อ, อคนดีๆหรืออะไรจะตามเนี่ยให้เขาไปที่อื่นให้เขาได้ดีกว่านั้นนะแต่ไม่เป็นลักษณะ า, าเออเขาอาจจะย้ายจากกระท่อมที่อยู่ข้างมาแล้วก็ไปปลูกในที่อื่นเป็นบ้านแบบทําสมัยอยู่สบายกว่า ผลเวลามันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดเอาไว้อย่างไรอย่างหนะึ่ะมันจะออกมาเป็นต่างๆกันบางรายก็ไปได้ดีได้ดีย้ายไปได้ดีไดดีบางรายก็อาจจะเ อ, อมีการร่วมหายไใจากันะนะบางทีก็เนื้อตายหัวเลยย้ายพ่อตายลูกเลยย้ายอย่างเงี้ยนะหรือว่า บางรายก็อา จ, จะอ่าโดนขับไล่ไม่ว่าอะไรแต่จะต่างกันคนถ้ามันเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราบาปไหมถามวนะ่าเราบาปไคือไอ้ผมเนี่ยผมไม่ยืนยันนะแต่ว่าอทุกวันนี้นผมอยู่โดดเดี่ยวบาดบุบกดโดดเดี่ยวดิฉัทนที่นี่ยังไม่มีใครเคยไปเลยแต่คนที่เคยไปทั้งๆที่มีอยู่ให ม, ม, ม่ๆจนกะทั้งตอนหลังเนี่ย จะเห็นเลยว่าผมอยู่โดดเดี่ย ว, ยวถ้าคนมันจะทำโมยถอนเสาบ้านมันทำได้สบายไม่มีใครเห็นคือเมื่อก่อนใ น, นทุกด้านมันมีบ้านคนอยู่ยังค่อยๆ ย, ย้ายไปดีละบ้านดีละบ้วนเดี๋ยวผมนับ ก, ก่อนมีทีหลังหลังหลังแรกหลังแรกนี่เัาจะกินไหน จะเรี้ยงหมาดูหมาพันหลังอา่นานมาปีอ้าตัวเลี้ยงด้วยกันกับมวยเพราของจะหายบ่อยเวล า, าเราเราเดินเข้าหรือใครเดินเข้ามีคนจะอเอาอยิ่งสงเร็จแล้วก็แล้วมีลูกคนงานเยอะแล้วก็ชอบเปิดคาสิโอแบบดังๆดังวุง่นวายนี่ใจก็เกิดไอ้ข้อขัดแย้งเลยก็ย้ายไ ป, ไปอยู่ไปที่อื่นแล้วก็ตอนหลังเห็นว่า ยายไปหลายจังหวัดมีมีมลายหนึทั้งที่เขาก็มีนั่นใจเอือเฟื้ออะไรกับผมนะฮะเราก็ไม่ได้เคยคิดนาอลไรแล้วก็มาถึงอีกกลายหนึ่งลายที่สองเอ้เมื่อกี้อยู่อยู่ทางที่อ่าอีกลายอยู่ที่ทเหนือนั้นที่ขโมยขโมยชนาดล้วไ้เสาไอ้เสาเสา แต่ก่อนผมมาซื้อที่ขุดย้ายแล้วก็ขี้ขโมยเลยื้อแต่นั้นเขบอกนะไม่นานย่าย่ยายไปหาลูกอ่ะทีนี้อีกฟังหนึ่งมีทะลเลาะกันผัเวเมีออยหลานกันเยอะแยะไปไกลปรากฏว่า ยาแล้วก็ต้องเลิกทอเขาทำสวนเหลงเลิกไปสมีาเนีรสบาดเกดโอนี่ครับเปนเร่งผมเสียใจมากเว่าเรื่องจริมเกิดจากผมผมไม่คิด่าไงก็เลยไปน่บันทอยู่ต้องไกลลเลยไม่ได้เจอได้เกันเลยนี่หลาย แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งได้ฟังนี้นะั่ะดีกับผมมากผมไม่เคยเล่นบุญกั น, นเลยมาก่อนมาหนาแล้วกูหลีกกูจอยตัวแต่เขาเสียอยู่อย่างเดียวชอบกินเหล้าตั้งเยมกินเหล้าวันนี้เย็นเนี่ยแค่ข้ามภูข้ามไอไอ้ไอ้ไหลองคันเลยที่ถึงบางง้านครับเป็นบ้านที่เลวใกล้ที่สุดกันแล ะ, ะย้ายไปเป็นเป็นรายหลองสุดท้าย เรามีคนมาทํางานทำอะไรชวนไปกินเล้าก็แน่แต่เขาไม่ก ล, ล้าชวนนั่นแหละเขาคงรู้อะเราก็ไม่เคยแล้วนั่นชวก็ไม่ลกล้าชวนไปชวนกินเล่าเสร็แล้วก็เคไอ้กระป๋องกระป๋ออะไรก็ส่งเหรียญเยอะจ้านะไปสุดใจว่ารานี้เขาย้ายไปดีเขาไปขายที่แปลงอื่นนะเขาก็เลยย้ายตูวตบ้านตัอยากอยู่สบายเลยเราก็เลยเดียดร้อนขูก เตือดร้อนหัแล้วก็หายไปแล้วก็รายอีกรายก็ขยับไปอีกนั่นเมื่อก่อนก็อยู่กันหลายคนนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเกามีพฤติกรรมอย่างไะแต่ได้ทราบทีหลังว่าลูกเกาเป็นนักเตะแต่เขาไม่เคยมาหาผมเดือดร้อนทีแรกก็ลูกโดนดึงตายท่านกินข้าเรี้ยงเขาเน่ยผมก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเขาก็ดีกับผมเมื่อจะเดินไปสามครูเรียนจอดผมําหน้าเขาไม่ได้ แต่ไอ้จริงๆก็เป็นยังานเราไม่ทราบไม่เคยไปรู้คแต่มารู้ที่หลังโดน ย, ยิงตายว่าเป็นอะไรแล้วก็ อ, อยู่ต่อมาตัวพ่อเขาตก็แล้วลูกสาวก็ทำรับประการก็อ ย, อยู่ในที่นานแล้วก็ยายก็เลยหมดเลยนะ <c oughs> ผมไม่มีเพื่อนบักอยู่คนเดียวเดียวโดดอยู่จนทุกวันนี้จริงๆก็สบายดีนะแต่ว่า <c oughs> บางทีพอจะยกจะยกจะขนอะไรเนี่ยโอย้โหต้องไปตามไกข้าง เพื่ยอยกไม้อนี่นของหนักๆเลาเลยขบาบตรงนี้ไปด้วความสงบรัก่าฮ ะ, ะ, ะตรงนี้ผมก็ก็ก็เล่าให้ฟังเป็นลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ผมลักเป็นเป็นเป็นพิธีไปเล่าตัวไปเดียวจะพูดถึงว่าเวลาเราแบบนี้นะเอ่อถ้าเราอยู่ในใ น, ในที่ธรรมะ หรือแมแต่คนที่อยู่ในครอบครัวเดีย ว, วนี่เป็นครอบครัวอย่างเหี้ยหลายคนเนี่ยทีนี้ก็มีกระตุกกระตั้งอะไรกัน <c oughs> เวลาทําแล้วเนี่ยมันจะออกมาคือที้ผมก็พูดผมก็ต้องพยายามบ อ, อกตัวว่า <c oughs> อ่าไอ้ข้อที่จริงมันจะยังไงเนี่ยก็เอาไว้เด็ดนะอย่าให้เดี๋มันออกมาเป็นว่าไอ้ครอบครัวใหญ่มันต้องเกิดการโยกย้ายนะฮะ เป็นคนที่เจอปัญหาเขาเลยต้องโยกย้ายออกไปอยู่ที่อื่นไปนั่นมาก็หมดหายแล้วก็บางคนก็ต้องล้มหายใจต่ำคือตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องพูดมันเป็นเรื่องอการจัดสรรของกรรมนะคนที่เขามีกรรมเขาจะต้องเป็นยังไงยังไงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปแล้วเองเราจะต้องไม่ไปคิดเก้าเลยถึงตงนั้นแล้วก็ต้องคอยคิดส ก, กัดบุคอ า, าไว้ว่าถ้าเขาจะเสียหายก็เสียหายนนแต่นอนแต่ เป็นไปได้อย่างเราเจ็บหายแล้วขอให้อะไรที่มันมันออกไปในรูปที่เป็นาสารควประโยชน์ัป็นดีที่สุดนะจะเป็นสิ่งที่เราพอใจที่สุดแต่ไอ้ตรงนี้นะในแง่ของหลักกลางแล้วเนี่ยงดว่าคนที่ทําอะไรจะคนไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าตกองบอกแล้วองปฏิทินไล่ปูไมป่ปฏิทินไล่ต่ออ่างเงี้ยนะอย่าปฏาาิทินไล่ดยการด้วยวาจาก็ดีมันมันคือการทำร้ายตัวเองของเขา ในบางทีเนะี่ยไม้แต่คนที่เป็นผัวเนี่ยกันเนี่ยนะที่เคยมีมานะ่ยมัที่มันรุนแรงก็คือว่า่ายหนึ่งฝ่ายแบบ่ายหนึ่งต้องตายมันมีอยู่สองน้ำลาย อ, อย่างลายหนึ่งก็เป็นเอพผมเคยเล่าอะไรบงแดี๋จะตามหกอะไรหนึ่งเป็นเป็นคนรับใช้เขาด้วยกันแล้วมันได้ใจไหน นายดีมาเพราะวานายทำบุญค้นทานอ้แกเป็นคนบ้า น, นอกงงเงี้ยปูดตามประดาบ้า น, นองมาเนี่ยเงงมันจะรู้เรื่องอะไรลรอต่างอะไรก็รู้บ้องมานต่รู้บักแกก็ามาสอนให้ใอ้บาสอะไรเงี้ยนะให้ทำกับขา้าวใส่บาสให้สรวจนมลนให้ฟังธรรมให้พอคิดทำธรรมะอะไรเงี้ยสอนแกก็ไ่ใจไ ป, ไปแล้วคนคือเวลาจะท ำ, ท, ำทำแค่ทำจริงแต่แค่ทำแบบวงงเง่ะทำแบบ ว่ามันก็ทำเถนเป็นเถนตรงเลยจ้านายให้ทำนี่แกก็ทำปรากฏว่าสามีหลายคนแรกเนี่ยตายคนเก่าที่เต่แกอะไรแกน่น่ะตายแบบที่ทาแกแล้วก็พอต่ อ, ตอมานางเขาก็ไม่ได้สามีอีกคนอ่าสามีคนนี้ขอลาจะไปเห็นคือบอกเลิกลา พอใจก็เลยมาใจก็ไปอยู่ตัวอมานานเลยนะอเออแต่งสองคนเนี่เลวอพอขัด่อเหวี่ยนกันเลยเ อ, อ่าก็เลยไปกาเลยอยู่คนเดียวก็เลยมีความสุขสบายไปทีนี้ อ, อวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะไปไปเจ อ, เจอเทางแล้วก็ได้เขาก็ได้พูดอะไรบางอย่างเลยโอ้โหคนนี้นะที่มันต้องไปเจออย่างนี้มันมีกรรมติดอยู่ในกันดานจริงๆอยู่ในตัวเพราะว่าเป็นคนลุนแรง เคถึงไอ้มุมดีก็ดีที่เรารู้รุ่งแรงเนี่ยเพราะว่าคุณศิษอาจะตีลูกทีไปเอาตายนะไปแบบเหมือนคนปาเถื่อนนะก็เลยบอกลูกพี่เข้าฝากครเนี่ยบอกว่าไอ้สอนยังเงี้ยมมันไม่รวมก็หนีเลยดิใช่ไหมพอห น, นีก็ยิง่งไปโกรกแกก็ยิง่งไปไปมารุ่งแรงขึ้นก็เลยบอกว่านี่แหละอุปนิสัยที่มันแสดงถึงไอ้ชตาการรมตัวแก่ต้องมา ได้สามีร เ, เ, เราเพื่เลี้ยงเรื่อยแข่งเลี้ยงเรื่อยแงเลี้ยงเรืยของแข่งแข่งอะวิพีลโดยว่าการจะกลับเอาเนี่ยร้อยอย่างนี้นี่ให้จำไม่เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยมันถึงจะมาพ้นเด่นบนกับคือมาพ้นเก่าแล้วก็ไม่เจอใหม่ในลักษณะที่เร็วร้าย มีคนทานที่ปฏิบัติทำแล้วทำไมครอบครัวแตกนี่แต่มาครอบครัวแต่อแตบอกว่าที่แตกไม่เพอาปฏิบัติทำจริงพราะอะไร mm hmm. เพราบางรายเนี่ยเราปฏิบัติเราแต่แล้วนะมันเ mm hmm. ขาเรียกคนอื่นที่เยียวยาได้ก็อยู่กันต่อไปได้แต่บางรายเนี่ยมันคนเยียวยาไม่ได้ mm hmm. เขาไม่ดีพอที่จะได้อยู่กับเราคนอย่างเราต้งงองค่อยต้องแยกกัน แยกกันไปนกันจะเป็นไม่เสียดายไม่ได้ทีหลังอีหลายปีต่อมามันมันก็ช่วยไม่ได้แล้วเราะนั้นก็เลยเคยต้องยึดแปงหรือต้องบอกกันซก่อนกับคนบางคนว่ามันอาจจะออกมาเป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าจะอยู่บนแบบเราแบบํต่ำๆแบบนั้นถ้าข้างหนึ่งเขาดีเราไม่ดีนะครับ เ, เขาก็ต้องไปจากเราอยู่นะครับ นี่เป็นเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเครื่องในแง่ของครอบครัวนะฮะดันั้นในแง่ของยังคนงานเนี่ยคนงานที่อาชงากที่โกบังเอิญผมไม่ใช่เป็นผู้บริหารไม่ได้มีลูกน้องตอนสมัย ก, ก่อนก็ยังไม่ได้ให้ธรรมะก็ะเลยไม่มีกรณีตัวอย่างแต่ในแง่อย่างนี้ที่คนมีนบริษัทบริวารที่โกง ยังมีคนก็เคยมาเนี่ะโกงก็ก็แพรเมตตาแพรถ้าจะมันออกมันออกไปเลยโดยไม่มีจริงๆไม่คุยเพราะมันอยู่เกากกินมาเป็นทุกข์ทุกปีนะแล้วมันก็ไปจบเก่งอะไรเก่งไอ้เจ้านายบางคงก็ตอบมาเห็นมันเป็นคนดีแต่สําหรับีคนนี้เขารู้ว่าตัวปัญหาตัวนอนบ่อนไสตัวทำลายอยู่คนนี้พอแพรก็จะข เขาก็เลยบอกในออกแล้วเราให้ฟักแล้วบางรายก็แผลที่ทั้งไอคนถูกแผลเนี่ยนะไม่ใช่คนแผลนะบอกหน้าด้านดำบอกไม่รู้ว่าไม่ได้เป็นหน้าเขามันเป็นหน่อยหน้าดําทําพิดมาลกไปเออมันมีปฏิกิยาอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยเป็นการขัดคนจริงๆเนี่ยมันพอขัดคนนะขัดคนว่าคนมีจริงคนดีจริงคนอ่า เป็นคนบาปนะเราก็ขัดจัดสั่นบริหารด้วยด้วยสิ่งเหล่านี้อถ้าอย่างเราเป็นคนที่เพิ่งขัดเนี่ยเราก็ต้องทำจัดสมใจ ส, สมเป็นนิสัยในดาราธรรมเป็นกรณีต่งตางๆเนี่ยเป็นนิสัยเนี่ยางานเข้ามันจะเป็นการสะสมที่มีผลที่เราพอเห็นทันต์ใจทัจนใจร้อนม่ได้แต่ว่าบางรายที่เขากขาตบักแรงอยู่แล้วเนี่ยแต่แล้วมันก็เห็นผล อ่าอันดุกันใจอันดุกันใจแต่ให้มาแผลให้ไปแบบเจาะจงคนที่รู้แค่แท้แน่ชัแดแล้วนะถ้าชั่วให้เปลี่ยนถ้าเปลียนไม่ได้ให้ไปสู่ที่เจ้าที่เจาแต่ไม่ใช่ปรโลกที่เจ้าพี่เจาะที่เขาไปอยู่แล้วมันดีกว่า น, นี้หรื อ, เ, อเดือดร้อนน้อยกว่ น, นี้ก็ให้ไปที่นั่นแล้วก็ต้องวางอย่เป็นกลางอย่า แต่มันก็เป็นเรื่องเป็นกรรมของเราจะต้องมาโจดใจออกมาเราก็เต็มใจครับอยู่กันตอ่อไปเราอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือได้ได้สภาพจิตใจที่ไม่สูญเสียอย่างอื่นอาจจะสูญเสียไปตามสมควรฮะอยู่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องในที่ทํางานในการเล่นกระของสูงก็เล่นกระ้ายก็เราก็เขพิจารณาเอานะอะอยากจะเปลี่ยนที่หรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ล อ, ลองลองอัดเลแล้วก็ได้รู้สึกธรรมะก็ได้ฝึกตัวเองขึ้นมาแด้จริงๆแล้วนี่ราจะได้ทำตนให้เป็นเป็นเหมือนเป็นผู้ดูแลสังคมดูแลอะไรให้มันเกิดความเหมาะสมส่อเคราะหแล้วก็ไม่ไม่เป็นบาปไม่ดีอายแต่ทำเป็นนะทดนะีนี่อ่าอีกอันหนึ่งก็คือ ในแง่ต่างกมเกิดอนบุอันนี้มันก็ตรงนี้เรามีทางเลือกมากกว่าอย่างอื่นนะเราจะคบใครใครจะมาคบเราแต่ที่มันบางทีเรนะาเลือกผิดเนี่ยที่ว่าเลือกผิดเพราะว่าบางทีไอเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานด้วยกันไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ได้คนในละแวกบ้านเดียวกันเนะี่ยเราก็ดูก็ไม่รู้ดูหน้าเห็นหน้าไม่รู้ใจทางโน้นหลังที่เห็นหน้า่รู้ใจอเราเห็นหน้าไม่รู้ใจนะไอการกระทวงว่าโดนมากเราเห็นหน้ารู้ใจก็คบกันบางทีก็ไปจอย เปิดเกินรอยเข้าใจผิดจะเมืำนวนจะเป็นสังคมโลกหรือเข้าวัดมันก็นเป็นสังคมนะฮะไปโดนต้มโดนหลอกลดนพุ่งอะรงนี่นะเวลาฟังธรรมะและ้วนำได้ก็ธรรมะไม่เป็นตัวคนเอาไม่ได้ฟังคนเรยก็เลยเกิดให้ความผิดพลาดขึ้นในจังหวะวัดหรือบางทีไม่ผิดแต่ว่ามันาจจะถูกน้อยหน่อยหรืออาจจะเป็นประโยชน์กับเราน่อยหน่อยที่เลือกที่อื่มันอาจจะมีให้เราเลือก เราก็น่าจะเลือกได้แต่บางทีก็เราก็ไม่จัดแต่ทีนี้ตรงนี้นถึงว่าเราจะเข้าสู่สังคมศาสนาเข้าวัดเข้าปฏิบัติแสวงหารครูบาอาจารย์ก็ต้องใช้สิ่งแบบ่านี้ด้วยนะแอ่แอ่ไปคัดสจริ่งเห่นี้นให้เกิดความเหมาะสมต่อคุน้องก็จะเป็นประโยชน์ในทางน้องเดียวกัน พูดถึงในกรรเณีของสิ่งที่เป็นคนเป็นสังคมแต่ว่าไอการตัดเตาสิ่งเดียวไลน์มันต้องขัดตัวเองออกมาสิ่งที่เป็นตวต้นเงาสําคัญเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่คนอื่นเป็นเรื่องสําคัญต้นเงาที่สําคัญเนียอยู่ที่ไหนดู้ไหมอยู่ที่ในตัวของเราคือที่เหลสของเราความมีความชั่วของเรา แล้วก็ถ้าเป็นความชั่วใหม่ก็คือธรรมะจริยธรรมที่มันกำลังเต้น ม, มีกิริวาอยู่ขณะนี้กับความชั่วเก่าที่มันทิ้งเป็นร่องลอยของวิบากกรรมที่เราได้ทําไว้มันก็จะปรากฏในตัวเร า, เ, าเวลาเรารูคนเนี่ยเราก็จะดูเป็นสองอย่างหนึ่งก็คือดูในแง่ค่าทางจริยธรรมดีชั่วสองดูในแง่ค่าทางวิบาก มีชั่วเนี่ยมันจะมีแววบอกอบางทีคนนี้เป็นคนจะเรียกทาดีแต่มีวิบากไมในเรื่อ ง, องนี้หรืมีไงนะมันก็มามาอยู่ได้วยกันได้ในเวลาที่เราเรื่องต้นขับไล่สิ่งชั่วลายจากตัวเราเนี่ยเพราะว่าเราจะไล่ความชั่วจากตัวเราแต่พูบบ้จะนีแตะท่าก็จะสงสัยว่าเี้ยความชั่วนี้แต่ไล่มังจะอัดยอมออกเลย มันเหมือนอะไรยังอะไรเหมือนคิดใครหรือเปล่าอะไรเงี้นะหรือเหมือนกับอข้ายหรือเปล่าหรือเหมือนกับพูดปีศาจอะไรมาเข้าแล้วไปเที่ยวไล่มันจะออกง่ายๆไอ้ตรงนี้นะมันไม่แค่ออกโดยตรงแต่บางทีมันเ้าออกความชั่วบางอย่างเนี่ยแค่เราปฏิเสธมันก็ุบแล้วจริงันริงอย่างคนติด บ, บุหรี่เนี่ยบอกกับตัวเองว่าสู่บุหรี่เป็นหมาไม่สู่เป็นคนอยากเป็นหมาไม่เป็นคน ถ้อยากเป็นมาจังสูดต่อไปก็ยี่ตั้งสองทิ้งเลยเขาไมเจอไปแล้วด่าตัวเองถ้าเป็นม้าก็สูบบุหรี่ไปสะทษคนติดเลยที่เขาว่าตัวเขาเองไม่ไ ม, ไม่ด่าคนอื่นให้พ่อพูดอย่างเงี้ย อ, อืออกได้อหรือตั้งจิตที่ว่าต่อไปนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อพาเจ็บปวดในการอย่างนี้นีก็หลุดได้เออมีบางอยกันที่เป็นกิเลสขั้น ก็หลุดได้โดยความปรารถนาอย่างนี้นี้ถ้าเราเราไม่ก็เราทำํำบ่อยๆความชั่วหายไปแล้วเราขึ้นบัญชีดำไว้ความชั่วยอย่างนี้ของเราให้หายไป ห, หายไปเนี่ยแค่เราอธิษฐานอย่างนี้ก็ถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งแต่ว่าผลที่เราจะได้เนี่ยคือว่าที่ที่จะได้ทําให้เราละความชั่วก็คือได้พบบุคคลพบเครื่องมือพบเหตุที่ทําให้เราดีขึ้นคือพบมันดิต ที่มาตรงข้อเราจะเป็นฆ่าเป็นโยมเป็นจีหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนในบ้านในเดือนนั่นเองอะ่ะแล้วก็อาจจะพบมรรควิธีอย่างใดอย่างหนึง่งที่มาจากคนหรือบางทีมาจากสิ่งปลาดประหลาดอย่างบางคนเขาเล่าเนี่ยนะฮะท่านก็ฟังไว้มีคนมาเล่าและสิ่งเสียงประหลาดประหลาดบอก อย่าไปก็อย่าไปอ่าอลพลเราเนี่ยมาเป็นคนพลนองหลงตนเนี่ยเลิกพลนองห ล, ลงตนได้ไหละ่ะมีเสียงประหลาดมาเข้าก็แสงเข้าหูเปลี่ยนทันทีเลยนี่สายเปลี่ยนทันทีโดยความพะดุ้งสะเทีอนขึ้นอนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องการอ่าได้เคลื่อนแก่สาหรับบางคนนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาใจกับทุกคน แนี่ลเมื่อเราคิดอยู่อย่างนี้ฝ่าถนาอยู่อย่างนี้เนี่ยคือโดยธรรมดาคนเราเนี่ยถ้ามีความมุ่งหวังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไปสอดสายสายตาไส่ความป่าถนาอยู่มันต้องเกิเดเอกิเขึ้นได้ใช่ไนหะมันจะีสิ่งที่เห็นจำเกมางทีก็ไอ้หนังสือที่ตัวเอง เ, อเก็บไว้ในในตู้หนังสือนั่นแหละไม่แเหลือใจไปหยิบมันขึ้นมาดูอะไรเงี้ยก็ได้อะไรขึ้นมาทําให้ตัวเองเปลี่ยนแปลง นี่เลยก่อนเรื่องได้เหตุและตรงนี้เห็นได้ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดคสมมติว่าเราแฝ่ไม่ตายตัวเหตุตรงนี้มันไม่ตายเองขอให้เราให้ความชั่วร้ายในตัวเราเนี่ยหายไปให้ความชั่วร้ายในตัวเราหายไปด้วยเหตุด้วยมรรควิธีด้วยเหตุผลใดก็ตามขอให้หายไปโดยเร็วให้เราได้พบเหตุคือพบบัณฑิตพบหลักการ แล้วก็ได้เกิดความปรารถนาชิงทางความชั่วร้ายอันนั้นอย่างรุนแรงก็ทําให้เปลี่ยนได้เกิอย่างไรที่ที่รู้จักจากคนที่เป็นคนเจ้าชู้อย่างอย่างร้ายกาศเนี่ยครับกลายเป็นคนที่เกลียดเกลียดความเจ้าชู้อย่างรุนแรงเข้าไปดูกดำไปได้เหมือนกันนึกถึงที่ไร เกิดความรู้สึกรังเกียจอย่างรุนแรงอ่าอันนี้เป็นเรื่องในตัวเราขับไลยทีนี้มันมีอีกอันมันอีกคือให้สิ่งชั่วร้ายันนิดที่เรามองไม่เห็นที่อ่าเวลานี้ผมก็รับปากที่จะช่วยท่านทุกหนึ่ง ซึ่เป็นเรื่องประหลาดนะครับเป็นเรื่องประหลาดที่ก็อย่างที่ต้องบอกว่าเรื่องคุณใสประหลาดผมก็ไม่รู้ยังไงเจอสิ่งเหล่านี้นะเ่ยมาเจอไม่ใช่เจ อ, อเอง่มัยว่าจะต้องมีไอ้คนอย่างนี้ประเภทนี้เป็นประเภทหนึ่งที่ต้องมาได้สัมผัสต้องมาได้ข้อมูลปหระหลา ด, ลาดทีนี้พอเราเจอเรามาเล่าเขามันก็ชวนดูถูกชวนหน้าดูถูกอแต่ว่า มันเป็นเรื่องที่คนมีการศึกษาเป็นเป็นเรื่องที่คนมีอันจะกินเป็นด้วยเป็นเรื่องที่เขาได้พยายามที่จะดูแลแก้ไขด้วยประการต่างๆมาแล้วเขาเอาชนะมันไม่ได้มันทำลายเสียชีวิตใจเขาอย่างนี้ทีนี้ให้การแก้ไขกระทั่งว่าไปแก้ไขในเรื่องเคล็ต่างๆในทางสาตรเนี่นะสารพัดจะทา มันก็ยังไม่ยอมหลุดอ่ะอนนี้ถ้าเป็ น, นวิธีที่ผมแนะนำก็คือใช้พลังของธรรมะที่บางส่วนเราก็พอช่วยได้บางนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งสำคัญในเขาเองจะต้องเอาวิธีเนี่ยแล้วก็ไปสร้างพลังนั้นให้เกิดแล้วก็ใช้บาบัดตัวเองให้หลุดจากสิ่งเหล่านี้มันก็พอเป็นไปได้เพราะว่าเคยพอใช้ได้ผลกับบางคนมา ถึงไม่มากนักเนี่ยก็รู้สึกว่ามันพอได้ก็จึงอยากจะลองที่สูดตัวด้วยแล้วก็ช่วยอนุเคราะห์เครือขู่มันด้วยอีวิทางนี้มันก็คือการใช้พลังบุญพลังเมตตาภาวนาเ น, นี่ยนะสลายออกไปซึ่งมันไม่ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ ง, ง่ายๆอย่างนี้ยวต้องประกอบด้วยอะไรต่างๆบางอย่า ง, างที่มีพิงีเข้ามาใ ให้หลุดอย่างน้อย ก, ก็เรื่องจิตใจเนี่ยให้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็ละลายสิ่งเหล่า น, นี้ให้มันหายไปจากชีวิตจิตใจของตัวเองโดยลําดับไปในบางรายเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาพอจะมีพื้นฐานบุญอยู่เยอะก็รู้สึกว่าเขาเยียยาได้บางรายก็ไม่มีพื้นฐานบุญก็เ ย, เยียยาไม่ได้ เราเป็นยุ่งเขาก็เราก็เ ห, เหนื่อยมากนะอ่าจละตรงนี้นะ่ะถ้าใครไม่มีความจำเป็นตรงนี้มันก็ไม่ต้องไปสนใจนะเอาไว้ว่าไปเจอใครเขามีปัญหาตรงนี้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะมันมีอยู่นหนึ่งในเรื่องของอำนาจจิดฝ่ายตาําสองอานาจ โอปปะติกาสัตว์ฝ่ายต่มันมีอยู่แล้วก็ชีวิตคนในปัจจุบันเนี่ยบางทีเก็ไปเจออะไรก็อะไรกป็นเรื่องคือลึกคือล่านอย่างเงี้ยมาวางก็ไปนั่งคุยกันมาสองสาชมชั่วโมงก็เป็นเรื่องเืก็คนอย่างเราๆเ น, นี่ยก็ทําไมไปถึงมีอะไรไปลึกไปล่านอ่างี้มากมาย น, น, นะฮะสองคออย่างนั้นเลยแม้ผมภาษาพูดไม่ให้เขาําหนิถูกๆดูมีค น, นพูดมากก็เป็นเรื่องอย่างนี้เอาง่ายๆเป็นเรื่องเทพมนต์คาถามนต์ดำ นะมีอันหนะเพบางคนมันมีอคตลวิบากจะต้องไปต้องอย่างทั้งผู้หญิงผู้ชายอาจจะเป็นไปได้แล้วก็อำนาจของพวกอบยตโอติาตร์างๆเรพูดอย่างภาาจีบ้างเราพูดีีสักที่ที่มันมีอาจจะเล่าก็รายอย่างาที่ที่พูอเมื่อวานอย่างรายห น, นึ่งควาจริงเนี่ยเเป็นรัชกาลผู้ใหญ่เป็นผู้ตรจการ นี่้นะนะนะอะเป็นสุาสตรีนามสกุลเขาก็ใหญ่แหละเขาไปวัดไอ้ที่มันเป็นวัดเ อ, เอาเขาเคยเยังไปวัดอัมพวันเนี่ยตัอย่างวัดอัมพวันเนี่ยนะนนนะมีหลายวัดนะวัดเดียวกันหรือเปล่าไ่เจอเข้าราชวัดอัมพวันสิงห์บุ่าตรงนั้นก็เป็นเขตเคยเป็นแดนะหาร แล plains, no ulations, you, well. oh, oh. Oh. Honestly, ้วก <inaudible> <ems>. ็ใกล้กับมะลกูที่พะโมกพะมาอยู่นะก็เรื่องก็ประหลากหลายเรื่องเนี่บางคนไปแล้วต้องมาไปมีอะไรแต่บังอย่างรายนี้ไปเนโอ้โหตัวหนักกลับมาเลยครับหนักนิดที่โยมันเดินเนี่ยมันเหมือนกับแบกของหนักๆทั้งที่ไม่ได้แบกอะไรเนี่ยนะมันหนักหนักหนักเหนื่อยเมื่อยเหมือนเราแบกของหนัก นอนก็หนักนั่งก็หนักเดินก็ยิ่งหนักมันหนักเพราะอะไรผีมันกี่ขอมันไม่ใช่สีเดียวมันหลายสีบางคนโอ้เตมแม่เต็ ม, ต, มตัวพอบังเอิญเขาพอจะมีประตบการณ์ในทางปฏิบัติแล้วก็มีกระด้างอะไรที่ท่านเก่งเก่งจกิ่มันกี่คอ แล้วทำไงก็เลยต้องทำบุญแล้วก็แผ่เมตตามันนะให้มันไปสู่ที่ที่มันควรจะไปก็เลยหายหนักเลยตัวเบาดีดูดูที่ไปไปกี่ครั้งหรือยังที่จะหมดอ่ะอ่ะใช่ใช่ใช่คคือบางคนเนี่ยเรา ผู้นี้เขารู้ว่าใครที่เขาจะทำได้ยังไงนะเราก็พยายามมามาทำนะแต่ะฉะนั้นตรงนี้จรงเราจึงใช้ทั้งในทางขาจัดแล้วก็ป้องกันนะแต่ว่าวิธีที่ดีคือจะต้องป้องกัน ต้องการเวลาใช่จริงๆก็ต้องทั้งต้องการและขจัดกันแหละเพราะว่าแต่เราเองบางอย่างยังไม่เกิดก็จะได้ต้องการบางอย่างที่เกิดแลว้วก็จะได้บํมรัดตัดเป่าไป <c oughs> มันมีมีที่ว่าทํายังไงก็ไม่ยอมไปไอคือมันคงจะไม่ใช่เป็นเออที่เคยเจอนะแต่ว่ามี ม, มีรายที่คุณสุธยาเคยผ่าน <c oughs> เคยผ่านมาอี่ เยจะเคยมาที่นี่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเคยไปไปเจอคนที่โยคูดครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกันกันสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยนะฮะเออแม่แล้วก็เขาเล่ารายละเอียดมาน่าไปที่ไหนที่ามายัางไงนะเป็นเรื่องของคุนไนะถ้าแม่เขาโดดแล้วก็มีอะไรไลึกลึกฮะทีนี้ตก็ลกูลกเขาเนี่ยเข า, เขาทางานเขาลูกกระจบวิทยาศานตร์ ได้ที่หนึ่งมาผมก็จำไม่ได้แล้วนะตจบไม่แล้วฮะี่ก็คุยกันวันนั้นก็ก็ไม่ได้อ่าตามติดไม่ไม่ได้ตามแก้ไขอะไรกันนะ ร, รู้สึกว่าเขาคงเราก็ก็คือก็แหมเรื่องใหญ่เหมือนกันฮะฮะเขาก็เขาก็ไปหลายที่เท่าที่ของราบเนี่ยไปหลายที่ฮะก็ยังผูกพันเนี่ยแน่นทีนี้ไอ้ตรงนี้นะ่ะ ถันเป็นวิธีที่ผมแกถ้าจะผมเสนอให้ทําเนี่ยคือว่าเราต้องใจยเย็นแล้วต้องทําด้วยวิธีทางบุญ น, นะไอ้ที่แกแกด้วยวิธีทางปัจจัยาศาสตร์อะด้วยวิธีทางบุญเนี่ยเป็นหลักแล้วก็อาเจ้าตัวเองต้องสามารถที่จะรับทําได้แต่รู้สึกว่าบางทีเจ้าตัวจะดือด้อหน่อยเจ้า ต, ตัวเนี่ยนะจะดือด้อแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้คือทางฝ่ายคนเป็นทั้งขนัว่า ต้องขนไขวายเหมือนอย่างอย่างรายที่ผมผมรับเนี่ยหลายๆตัวต า, ายเนี่ยเขาเขานขนไหวย์ขวายมากคือมีมีใจที่จะขนขวายทําแล้วก็ดูแล้วก็มีพื้นฐานแล้วรู้สึกเออเราอาจจะต้องต้องเป็นฝ่ายช่วยเหลือเขา อ, อาจจะเคยอะไรกันมานยอย่างเงี้ยนะแต่บันไดกว่าอย่า ง, างก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าแก้ไขได้อย่าง แก้ไถได้ลำบางก็เลยโดนงับอยู่จนทุกวันเดียมะกต้องบอกว่าโดนงับงับจนเที่ยวโกโร๋วคือในภาพที่กขพูดถึงนั้นแล้วจะแนะนำไปหาจะแแพทย์ถามหม อ, อยี่ไหนกินยาก็ไม่หายอะ่ะพว่าเรา เ, เกิดไปตกปารับคาดูแลคนอย่างนี้เขาแค่สองคนเนี่ยครับเราอ่านแล้วอ่านหมายว่ามันไม่ได้อใช้เวลาน้อยๆได้แต่หวังผลกันนะ่ะ<ช>อ่ามันมันต้องคลุกครีมัแล้วมันต้องต้องทําให้คนคนที่เป็นีช่วยตัวเองให้มาต่อสายแรงคนนั้นอ่าอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ต้อ ง, งเราต้องทําแบบต้องทําขึ้นอยู่ในใจเลยต้องนึกถึงอยู่เรื่อยๆ อ่ า, อาต้องขึ้นอย่าใ น, นเป็ น, เ ป, นเป็นความคิดประจําเราเลยมันนึกถึงเมื่อไปทําอะไรนะฮะและเขาเองต้องต้องคือเราต้องพยายามให้เขาช่วยเราเองให้มากและเราไปช่วยสังส่วนที่เราพอจะช่วยได้เดขาจริงเนี่ยมันแคเปลี่ยนตะเพียงเราเป็นเครื่องมือกับเราเล็กน้อยก็ได้เลยว่าเป็นเรื่องแค่ปากรรมเรื่องบาปบุญกุลบุญโทษของเขาอ่า ไปถึงแ้้ร่างกายเราเลยคือถ้าเป็นลักษณะของการแผ่เมตาเนี้ยไม่อ่อนแอนะถ้าเป็นรูปของการสะกดจิตเน้่นเหนื่อยเคียถ้าแผ่เมตาเนี่ยมันจะเป็นการมาให้แบบเบาๆและเราจะรู้สึกดีขึ้นด้วย ถ, ถ้าใช้สะกดจิตใจเล้เสียพลังหรือคุ้จะใช้ทางฝังกินแหลก้้่ใช้ในทางทา ง, ทางภาวนาทางธรรมเนี่ยได้แหล แต่ทุกแต่มันเคยเวลาและแเสียที่เราจะต้องเอามาเป็นอนุสติของเราอย่างก่อนข้างมากแต่บางรายก็สองมอาธิทิ้งหลุดแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะหลุดในเวลาเมื่อไรอะ่ะก็เป็นเรื่องเราฮะฮะถ้าไม่มีไม่ตรงฮะพอะตรงนี้เราก็ต้องมีวิธี คุ้มคองตัวเองอ่าคุ้มกลองตัวเองก็ก็ถึงจะได้มาพูดกันเนี่ยว่า อ, อ่าก็เนี่ยจะได้พูดต่อไปเลืคุ้มกรองเนี่ยนะมันมันมีบทที่จะพูดอ่าอ่าแล้ตถึงต้องสร้างถนนคุ้มตัวเอาไว้ก่อนก็จะไม่ไม่เข้าตัวเราเพราะเอาความบริสุทธิ์เข้า่าเป็นเป็นถนนที่ดีที่สุด เรื่องได้เนี่ยอย่าว่าแต่ศีลห้าเละศีลสองรอยี่สิบเจ็ดยังทำได้เลยเพราะไอ้ได้ไม่ได้เนี่ยไอ้ศีลหรืออะไรเนี่ยมันเรื่องปัจจุบันเหตแต่สิ่งเหล่านี้น่ยมันเนื่องมาจากอดีตเหตุเรื่องมาจากอดีตเหตุดังนั้นแม่แต่เป็นพระแล้วเนี่ยบางทีก็ยังไม่พ้นเลยเกิดในกรณีที่พระไปทรงพกผีแล้วก็มาทําอะไรไม่ดีไม่ไดายเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ มีลายผมกำลังเตรียมจะไปดูหน้าดูแล้วเพราะว่าจะเป็นไงเขาก็ได้แต่นี้เราพูดชัดไม่ได้นะนะพูดชัดไม่ได้แต่เราก็รู้อยู่กับในคนกลนะุออ่มมาไปดูหน่อยแต่เราเห็นฮะอริยเ<ะ>จ้าไม่ได้นะ่ ะ, ะถ้าพระโสดาบานนันโดนนิดนิดหน่อยหน่อยได้โดนอนว่าโดนใจอะไรอย่างน้บ้านอนฮนะ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 พอเวลาไปอยู่ป่าอยู่เขาไปถือโสนาชนิ้กลางกาเนี่ยมันเพียงมากเพียงกับสิ่งเหล่านี้ที่จะไป้เกิดเรื่องปรญหาขึ้นตรงนี้ก็เราเราก็ปกป้องเราก็คือป้องกันแล้วก็แก้ไขเอาละทีนี้มาว่าถึงในทางปฏิบัติ จากที่มาฝึกที่เนี่ยผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าอ่ในสภาพแบบนี้ความพร้อมฝึกสู้บางทีไม่ได้นะตอนที่ที่ทำที่กระนิพันเนี่ยถ้โดยมากเป็นพวกคุณก็การฝึกก็มานั่งกับปิดห่องแล้วก็นั่งสมาธิทําำทําแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างอย่างตามบทต้องอย่างทีนี้ตรงนี้เราพื้นฐานเราไม่เท่ากันนั้นทําฟังบรรยายแล้วก็ฝึกไปบ้างนิดนหน่นนนอยอาจจะพอกได้ชื่อฝึกนานไปก็งงอีก ถ้าไม่ต้งเป็นบางชั่วโมงนะถ้าคร่งชั่วโมงเนี่ยบางรายก็อาจจะจะจะตามได้บางรายก็ตามไม่ได้แต่จรงอยู่ที่คนคนปุณณิปวตาไม่ได้แล้วมันก็หมดสนุกมันก็หมดสนุกทําไปง่วงไปเงียบง่อยเงาเง า, ง า, งาสนุกสําหรับตัวเองเนะบางรายก็ทําได้ก็สนุกทำยังไงก็ตามได้ทุกอย่างแต่ตัวนี้จึงเป็นเรื่องของื้นุณณา เอาละกรณีนนผมอยากให้ท่านลองทำเป็นช่วงๆไปนะเวลาที่เราจะาขับไล่สิ่งชั่วออกจากตัวซึ่งการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเราทาจะทำเพื่ อ, อปฏิเสธ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 เริ่มต้นเนี่ยขอให้ตั้งสติไว้ที่ใจก็ได้หรือที่กลางกระหม่อมก็ได้หรือที่หน้าก็ได้สมมติว่าอยากให้ท่านทําโดยการตั้งจิตไว้ที่หน้านการที่เราตั้งจิตไว้ที่หน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความรู้สึกของเราอยู่ตรงนั้น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 ขอให้จงหายไปจับกันฮันใดที่ยังสลายไปได้ไม่ทันทีขอให้อ่อนกำลังลงและเสื่อมสูญเสื่อมสิ้นพินตนาการไปในที่สุดขอให้ความชั่วร้ายในสมองของข้าพเจ้าจงสลายไป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 ได้ปรโตโตสัตว์คือได้หลักการได้เหตุอันเป็นปฏิปทาเครื่องละความชั่วนี้ขอให้ความชั่วล้อมทั้งสิ่งเวลว้ายอื่นๆที่แฝงติดอยู่ในกายและใจของข้าพเจ้า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 จะโลมไหลไปทั่วร่างทั่วความรู้สึกนึกคิด ท, ที่อยู่ในสรีละนี้ทั้งภายในภายนอกทำความรู้สึกระหนึ่งว่าเมตตาภาวนาเป็นน้ำทิพย์หรือเป็นน้ำมนต์ทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อ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 อย่างดีที่สุดนั่นเป็นการสลายไปในทิศเบื้องลางอีกอย่างหนึ่งขอให้ทรงอิจลงไปเป็นที่ๆเมื่อท่านปฏิบัติจริงให้ทำให้นานที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ทำอย่างใจเย็นที่สุด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 จะเป็นอำนาจเผาไหม้มนทถินเหมือนกับช่างทองที่ใช้กระแสะไฟเผามนทถินของทองไล่มนทถินของทองให้สูญสลายไปจากเนื้อทองชนะส่งจิตแห่งจิตไปยัง อ, าอาาวัยวะต่างๆโดยลำดับ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 ที่นั่นที่นี่เหมือนอย่างราโมคัาลานะเข่งจิตขับไล่มานที่เข้าไปอยู่ในท้องของกันตามเนื้อความที่ปรากฏอยู่ในมาระตัญญาสูตรในพระไตรปิฎกเล่มสิบสองสูตรสุดท้ายราโมคาลานะก็ทาอย่างนี้ อีกวิธีหนึ่งคือให้ทำความรู้สึกตั้งจิตไว้ที่กลางกระบอกแล้วก็ส่งความคิดนั้นจิตนั้นให้หมุนจ้อเข้าไปในกลางศีรษะ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 เหมือนกับเป็นกังหันหรือใบพัดที่พัดหมุนติ้วสลัดสิ่งชั่วร้ายออกไปโดยลำดับจากกลางกระหมอ่อมไล่ลงไปทีละส่วนทีละนิดทีละน้อยชาบั่งก็ได้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 ลงไปทั่วตัวด้วยความสํานึกว่าเรากําลังเคลือบตัวเราเองเคลือบตัวเราเองด้วยอานาจของเมตตาภาวนาจิตเคลือบขึ้นเคลือบลงซ้ําไปซ้ํำมาเคลือบไม่ใช่แต่ภายนอกผิวนอกเท่านั้นแต่ให้เคลือบซึมลึกซึมทราบ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 ตั้งเจตนาลงไปอย่างนั้นก็จะเป็นการคลุมคลองตัวเองหรือทำความรู้สึกแผ่รอบตัวตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะระหนึ่งว่าเรากำลัง ใช้ผืนผ้าทิศอันละเอียดแต่มีตะบะมีพลังมีอานาจเหมือนเป็นผ้ายันที่ถูกปลุกเสกด้วยกิตภาวนาอันเป็นกุศลบริสุทธิ์นี้พันรอบทั่วตัวจากข้างบนลงไปเบื้องล่างจากเบื้องล่างขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วเล่า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 อันวิเศษเมื่อเราปราถนาจะคุ้มครองตัวเราเองจากความชั่วภายนอกจากสิ่งเลวร้วายลึกลับภายนอกไม่ให้เข้ามาย่ายีบีทานเราในขณะที่เรากำลังเดินเข้าไปสู่ป่าชา้าหรือเข้าไปสู่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 อนาจคุ้มตัวนี้นะคนที่มีสมาธิจิตลึกเขามองเห็นได้หรือพวกโภปปติกาเขาจะรู้สึกได้เห็นได้สัมผัสได้จะเป็นของเป็นอย่างไรก็อยู่ที่เราใส่เจตนาลงไปถ้าเราใส่เจตนาอ่าคุ้มตัวเองลงไปกับ การที่เราแพ้ให้กับตัวเองอย่างนี้ก็จะเป็นกรอกแก้วที่สิ่งเลวร้ายไม่กล้ามาแตะต้องอำนาจลึกลักไม่กล้ามาแตะต้องขอให้กระทำโดยอาการอย่างนี้ถ้าเราจะคุ้มครองผู้อื่น ก็ให้ทำโดยอาการอย่างนี้ผู้อื่นหมายถคนที่เราต้องการจะดูแลคุ้มครองเขาให้พ้นจากอันตรายอันตรายจากสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นหรือให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่เขามีอยู่เขาประสบอยู่ หรือนิสัยอันชั่วร้ายที่เขามีอยู่เป็นอยู่ไม่ควรจะรู้สึกอย่างนั้นก็ขอให้เราแผ่เมตตาให้เขานึกถึงอาของเขาว่าเขากำลังนั่งอยู่หรือนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งในเวลานั้น หรือแผ่ไปที่ลูกของเขาอธิษฐานไปที่ลูกของเขาหรืออนุสาวรีย์ของเขาหรือแม้แต่แผ่ที่ตัวเองด้วยทําความรู้สึกว่าเขาและเรากําลังนั่งทับร่างกันอยู่อ้อนร่างกันอยู่แผ่ไปด้วยความรู้สึกว่าที่ ตัวเรานี้มีเขานั่งอยู่ด้วยนึกถึงเขาแต่แพ่กิตไปที่ตัวเราให้ตัวเราเป็นตัวแทนก็เป็นผลไปถึงเขาตามสมควรแก่เหตุที่จะพึงได้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 ตรงนี้เป็นการใช้อำนาจเมตตาโดยเฉพาะนอกนั้นยังอาจใช้อำ น, นาจของการคือความหมายไปถึงผู้อื่นคือหาแนวร่วมช่วยเขาอีกแรงหนึ่งหรือช่วยเขาอีกแรงหนึ่งก็เป็นสิ่งควรทำไปด้วยกันแนวร่วมก็หมายถึง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 เมตตาไปถึงผู้อื่นแผ่บุญไปถึงผู้อื่นแล้วขอความกรุณาให้ความร่วมมือเพื่อให้ความกาสนาของเราได้รับความสำเร็จ สิงอาศัยกินอาศัยอยู่หรือเพื่อจะเข้ามาสิงเพื่อเบียดเบียนบุคคลผู้นั้นซึ่งเป็นคู่เวรกด็ดีหรือจะเข้ามาใช้อำนาจครอบงำคิดใจผู้นั้นแม้ในรูปเวยกด็ดีเมื่อเวลาเราจะแผ่ปฏิเสธพวกนี้ ถ้าเราต้องการให้ออกไปจากชีวิตจิตใจของเราก็ให้แผลหลังออกไปด้วยเจตจำ น, นงด้วยวิธีการดังกล่าวล้อมทั้งแผลบุญทำบุญรูิดให้ด้วยเพื่อให้เป็นกำลังแก่เขาหรืออีกทีหนึ่งก็ให้เขา ใ ม, มาทร่วมทำบุญกับเราไม่ใช่เข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างนั้นเราสามารถจะบอกความต้องการด้วยอำนาจเมตตาภาวนานี้และด้วยอำนาจบุญที่ทําอุทิศงให้แล้วแต่กรณีของสิ่งเลวร้ายลึกลับนะั้น สู่ประสงนี้เพื่อขจัดคนเลวไลาหรือสีชั่วร้ายหรือสัตไลยออกจากอาณาบริเวณบ้านเรือนที่อยู่ที่หาศัยของ ปฏิเสธคนที่ไม่ดีก่อนหรือทาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวก็ได้หรือ ที่ที่มีคนไม่น่าไว้วางใจเราก็ทำพุ่งไปที่คนเป็นหลังหรือถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีมนุษย์ที่ไม่น่าไว้วางใจชุมชุที่นั่นหรือเป็นแดนของเครื่องลึกลับ อ, อย่าง ในที่ที่เป็นดินแดนของคนที่เล่นเวทมงตาถาก็ให้เราแผ่ป้องกันแต่ปฏิเสธขับไล่สิ่งชั่ว น, นั้นเป็นเรื่องหลักหรืออาจจะแผ่จิตไปแล้วก็ไล่เลียง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 และป้องกันโดยการเริ่มแรลจากตัวเราเนี่ยขยายออกไปแรลจิตออกไปโดยวิธีการต่างๆดันกล่าวมาแล้วก็ใส่ความปรารถนาปฏิเสธคนชั่วไม่ให้เข้ามาในบริเวณนี้ หรือเมื่อจะเข้ามาก็ขอให้เป็นคนดีมีบุศบุญลจิตเมื่อก้าวผ่านเข้ามาในเขตของเราทรงจิตขยายออกไปโดยรอบจากาศนะที่นั่งขยายออกไปจนทั่วบริเวณบ้าน ขยายขึ้นไปสู่เบื้องบนแล้วก็ลงไปสู่เบื้องล่างทั้งบนดินใต้ดินบนอากาศ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 ใดเป็นอำนาจชั่วร้ายที่เกิดจากเวทมนต์คาถาลมเพลมพัดหรือเจตจำนงโดยตรงที่มุ่งทำร้ายเราทำร้ายทรัพย์สินของเราทำร้ายบุคคลในปกครองของเราขอให้อำนาจเมตตาของเราเนี่ยที่แผ่ออกไปจงสลายจงกินพลังนั้นจงดูดซับ ไม่สลายหายไปไม่เป็นโทษแก่ใครไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ที่จะถูกกระทาขอให้อำนาจของเมตตาภาวนา ถึงเร็วลาย อยู่ในที่นั้นนะได้ชุบชีวิตจิตใจของเขาให้ได้คติใหม่ได้เกิดใหม่ได้เป็นคนดีหรือได้ถูกจับจัดให้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแก่เขาที่เขาไม่สามารถจะกระทำความชั่วได้หรือเกิดสำนึกในทางชั่วได้ หรือเป็นคนดีขึ้นได้ขอให้ส่งกระแสจิตปฏิเสธออกไปด้วยความสำนึกอย่างนี้แล้วแล้วเล่าเลแล้วแล้วเล่าๆล่า มีการวางใจอะไรนะบางทีเนี่ยไอของบางอย่างเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งแปลกแลกนะผมเองไม่ไม่ไม่ออ ก, กว่าเคยได้เจอได้ได้มีของอะไรลัรกษณะนี้ทั้งเปล่าแต่ว่ามีพวกเราเนี่ยบางทีผมอาจจะเคยเล่าให้ฟังแล้วที่ไปได้ทับทวงมาแล้วก็มันเป็นของเก่าแล้วมันก็มีไ อ, อสิ่งลึกลับอยู่ในนั้น ควเป็นของเก่ามากเวลาเอามาก็มันได้ขอมาด้วยได้อะไรมาด้วยก็ไม่รู้แล้วก็มาเกิดบุญวดวายแล้วบางรายเนี่ยเป็นในายตำรดแล้วไปได้ปลามามันก็สิ่งติดอะไรมาก็ไม่รู้เอามาแล้วก็เอามาไหว้ก็ปรากฏว่าแทนที่จะเป็นป้างกลายเป็นผีโผล่มาจะปะเนี่ยนะะแล้วก็กลายเป็นไม่ดีแล้วก็ไปตกกับใครก็มีสิ่งจะืร้อนนี้ไปด้วย มีสิ่งเลวร้วายที่มันเป็นไม่ดีไอเราไปอยู่บ้านอยู่ช่องพักโรงแรมเนี่ยนะไปไปต่างประเทศหรือไปไต้หวันเนี่ยนกะ็เจอบางทีไปเนี่ยเราต้องขอเปลี่ยนห้องคือเขามาขอเราเปลี่ยนว่าไอเราก็อย่างว่าเข้ า, ามาขอเปลี่ยนเราอย่าไม่เปลี่ยนไปตัวก็ไม่ได้เรากต็ต้องใจดีเสือสอๆไม่เป็นไรเราก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ไปช่วยแผ่ไม่ตาย ไม่ตาอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อยู่ได้ตลอแต่บางคนเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหานี่ถ้าเราไปเนี่ยเราถึงไม่รู้มันมีอะไรเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้แล้วก็จะไม่เจออะไรจะไม่มีอะไรมีก็กลายเป็นดีไปต่อหน้าเราคงจะมาต่อกันอีกนะเกี่ยวกับตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนนี้พอสมคนรปยเวลาครับขอปิดประชุมแค่นี้เลยไม่ได้อุทิศสูงสกุศลถถือว่าทําแล้วครับ